อธิบายว่าบทว่าสโตสัมปชาโนอายุสังขารังโอ ช, ชอิโอสัชชิความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงธรรมสติตั้งมั่นด้วยดีกําหนดด้วยพระยานปลงพระอายุสังขารปลงก็คือถอดอายุสังขารณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ปลงอายุสังขารเหมือนเอามือทิ้งก้อนดินไม่ใช่ว่าปลงก็เหมือนกับว่าอะไรนะคว้างทิ้งซะไม่ใช่แบบนั้นเหมือนกับคว้างทิ้งไม่ได้แต่พระองค์คิดว่า จะทรงเข้าสมาบัติไม่ขาระยะเพียงสามเดือนเท่านั้นเลยจากนี้ไปอีกสามเดือนไปแนละ้วจกไม่เข้าสมาบัติแน่นอน น, น, นะก็อั น, นั้นเท่ากับถอดใจแล้วว่าจะเข้าพร ะ, ะจะเข้าสมาบัติให้ชีวิตเนี่ยดำรงอยู่แค่สามเดือนเท่านั้นปัจจัยใดที่จะทำให้มีชีวิตเกินสามเดือนไปเนี่ยตัดปัจจัยเหล่านั้นหมดถือเอาเฉพาะปัจจัยที่จะทำให้อายุดำรงอยู่ได้เฉพาะแค่ สเดือนเท่านั้นนี่แหละเรียกว่าปลงอายุสังขารไม่ใช่แบบปลงปแบบจับก้อนดินก้อนหินเคลื่องทิ้งอะไรเป็นต้นไม่ใช่แต่ลักษณะว่าเหมือนกับว่าจะใช้อาหารใช้ยาสั่งยาและสั่งอาหารให้ชีวิตมีอยู่แค่นี้ถัดจากนี้ไปบอกไม่ต้องแล้วตัดหมดแล้วว่างั้นครั้งนั้นก็เกิดแผ่นดินไหว น, นะเกิดแผ่นดินไหวกลองทิพย์ก็บัลือลั่นเมฆฝนก็กระเฮิม เครืมคลางเหมือนเดือนรูแ้งสายฟ้าไม่ใช่ฤ ด, ดูกาลก็แลบแลปรบขึ้นมาเนี่ยนะฝนก็ได้ตกชั่วขณะหนึ่งแล้วว่าฝนเนี่ยพัขึ้นมาทันทีแล้วก็หายไปตอนนั้นพระองค์ก็อุทานนะรู้เนื้อเรื่องราวทบทวนทั้งหมดแล้วก็อุทานถามว่าพระองค์อุทานทำไมได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าใครๆก็จะเพ่งพูดเนี่ยนะจริงอุทานเพื่อการข้อคอรหา คนจะ ข, ขอกลรหาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกมารติดตามไปข้างหลังข้างหลังมารมาอ้อนวอนรบกวนว่าโปรโดปรินิพานเถิดพระเจ้าข้าโปรโดปรินิพานเถิดพระเจ้าข้าพระองค์เนี่ยปลงอายุสังขารพวกกลัวมารมารมาขอร้องมารมาขมขูพระองค์ก็เลยปลงอายุสังขารอันนะบอกไม่ใช่ที่จริงพระองค์ปลงอายุสังขารหรือว่าถอด ถอใจที่จะไม่เข้าพระสมาบัติเป็นต้นเพื่อไม่ให้ชีวิตอายุยืนอยู่ต่อไปอีกเกินสามเดือนนั้นเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเปล่งอุทานแบบคนมีปีติแบบคนที่มีความสุขเปล่งอุทานอย่างคนไม่ได้กลัวและพระองค์ก็ไม่ได้กลัวมารเลยเนี่ยนะขนทองสยองกล้าวแม้แต่เล็กน้อยไม่มีเป็นยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการฉลาดเฉลียวทุกประการตอนแรกตรัสรู้สติสัมปชัญญะ เท่าใดตอนดับขันทัปรินิพานหรือตอนที่ปลงอายุสังขารก็มีสติสัมปชัญญะเช่นนั้นกลางวันชันใดกลางคืนก็ฉันนั้นพระชนมายุหนึ่งปีสองปีเอ่อพระชนมายุแรกตรัรสรู้ได้ปีสองปีจนถึงสิบยี่ส5สาสิสี่สิบห้าปีเหมือนกันหมดทุกประการเป็นผู้ที่มีพระญาณคงที่เหมือนอย่างว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวนันตัดศจากเมฆหมอกก็สองสว่าง เท่ากันไม่ต่างกันฉันใดพระองค์ตอนที่ลงพระชนมายุสังขารก็ฉะนั้นพระองค์ไม่ได้กลัวมารอะไรเลยมีปีติมีความสุขเป่งด้วยดีใจเนี่ยนะดีใจเหมือนอะไรเหมือนคนที่บอกว่าเสร็จภารกิจที่ละทุกยากลำบากพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระริยเจ้าทั้งหลายมองเห็นขันห้าว่าเป็นภาระเนี่ยนะและเมื่อมองเห็นว่าขันห้าเป็นภาระเนี่ยนะอย่างคนที่มีภาระใหญ่ใหญ่เนี่ย มหาภาระที่ทุกข์มากแบกเดือดร้อนตลอดเวลาอย่างปุถุชนคนทั่วไปแบกภาระแต่แบกด้วยตันหาด้วยแบกด้วยตันหาอยู่กับขันหา้าพร้อมกับตันหาหนักก็หนักชอบก็ชอบรู้ว่าหนักแต่ก็ชอบชอบที่มันหนักด้วยเหมือนกันนะก็ปกติเนี่ยทั้งหนักทั้งชอบเคยเหมือนเหมือนกับคนที่อะไรนะทานอาหารชนิดที่เผ็ดสุดๆแต่ก็อร่อยทั้งเผ็ดแล้วก็อร่อย พอคิดถึงเผ็ดแหมก็ท้อเหมือนกันพอคิดถึงอร่อยก็เลยลืมเผ็ดอย่างเงนะมันก็ทั้งเผ็ดทั้งอร่อยปุถุชนทั้งหลายก็เหมือนการเพลิดเพลินในขันห้ามีความสุขกับขันห้าชั่วขณะเล็กน้อยแต่ก็เดือดร้อนเพราะขันห้าพอคิดว่าขันห้ามันเดือดร้อนแท้ก็คิดถึงสุขเรศอร่อยเล็กน้อยอีกเห็นไหมพอพอลืมสุขไปอีกหน่อยหนึ่งก็ทุกข์อีกแล้วใช่ไหมก็วนทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ผ้าอาหารทั้งหลายพระผู้เผเจ้าทั้งหลาย เนื่องจากว่าท่านลืมความอริดอร่อยท่านตัดฉันทราคาที่อร่อยด้วยตันหาเสร็จสิน้นแล้วท่านไม่มีตันหาอยู่แล้วท่านมองเห็นขันห้าเป็นภาระอย่างเดียวพานการวางขันห้าได้เป็นความสุขเปรียบเหมือนคนที่ปวดหัวมาตลอดเวลาเนี่ยนะถ้าหายปวดได้เนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เขบอกว่าเป็นสุขคนที่ปวดปวดตลอดเวลาหรือเป็นมะเร็งเนี่ยถ้ามันหายเนี่ยมันมีความสุขหรือมันเป็นทุกข์ คนที่มีโรคมาตลอดแล้วมันเหมือนเขาว่าทุกทรมานมาจากโรคมาตลอดท่านละโรคได้นั้นมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ฉันใดพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมองเห็นขันห้าเป็นโรคเมื่อท่านเห็นขันห้าว่าเป็นโรคการที่สละทิ้งขันห้าก็เหมือนกับสละโรคนั่นเองนะก็เหมือนกับปล่อยโรคเหมือนกับปล่อยภาระปล่อยหนี้ปล่อยทุกข์นะก็เหมือนเขาเรกแม้กระทั่งว่าอะไรนะสละทิ้งออกไปนี่มันเป็นความสุขมันเป็นความสุขมากว่าอีก สามเดือนจะอะไรนะปรินิพานเพราะว่าปลงภาระวันนั้นแหละเป็นวันที่เรียกว่าคนที่ทำงานเสร็จรอรับค่าจ้างเหมือนอย่างว่าคนที่เคยทำงานมาเหน็ดเหนื่อยหรือว่าไปประมูลมางานประมูลงานมาเช่นแต่ว่ามันรายได้โตมากเนยนะยิ่งใหญ่มากแต่ก็ทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยจริงๆเลยนะเงื้อท่วมเลือดไหลอาบไปหมดบอกว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยก็อ่า เราบอกว่าอีกวันหนึ่งท่านจะได้รายได้ทั้งหมดที่เป็นผลของแรงงานแม้ดีใจมากรอวันนั้นมาถึงรู้แล้วอีกสามเดือนข้างหน้าเป็นวันรับค่าจ้างรางวันที่ใหญ่ที่สุดแห่งชีวิตในสังสารวัตเป็นรางวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะท่านก็ดีใจมากเนยนะบอกว่ารู้วันรับแล้วว่างั้นนะพอใจวันเนี้เป็นวันรับรางวันก้อนใหญ่ที่สุดก็เลยดับขันทัพวันนั้นน่ะทัานพระองค์มีความสุขกับการดับขันทัพปรินิพาน ส่วนคนที่เสียใจก็คือยังช่วยตัวเองไม่ได้นะคนที่เสียใจก็คือพวกปุตุชนพระโสดาบันท่านเหล่านั้นที่ท่านเสียใจท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในระดับอย่างปุตุชนนี่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้อย่างาเต็มที่เมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าถอดเรียกว่าอะไรนะทุกทรมานมากเลยนั้นจะไปยงงังไงเนาะชีวิตเนี่ยนะเหมือนกับว่าทางก็ยังอีกไกล คนที่เดินทางอยู่ป่าลึกโดยเฉพาะเดินทางในป่าลึกและหลงทางด้วยไม่รู้ว่าจะไปณนะแห่งหนึ่งตำบลใดไม่รู้ว่าจะไปไหนข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรแล้วดวงอาทิตย์มันดับด้วยอดวงอาทิตย์ก็ลับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกขนาดไหนอันนะใครที่เคยเดินป่าแล้วก็หลงทางเนี่ยนะเดินวกไปวนมาหนทางที่มันเต็มไปด้วยโคดเฮวแล้วก็เขาชันเนี่ยไอตอนสว่างๆเนี่ยมันยังพอมองเห็นไกลๆใช่ไหมฉันใด อย่างชีวิตของพวกเราที่ยังอยู่ในเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะถึงยังเป็นปุตุชนอยู่ถ้ายังมีคําสอนก็ยังพอมองเห็นแสงสว่างอยู่รําไรนนพอมองสว่างสว่างพอเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วเห็นสูงเห็นต่าอ่นนัเห็นดําเห็นขาวเห็นเหตุแห่งความสุขเห็นเหตุแห่งความทุกข์เห็นเห็นอะไรเป็นไปเพื่อความสุขอะไรเป็นไปเพื่อทุกทกล้วรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปอันนัมีอริยสัพประรดหนึ่งแต่ถ้า พระพุทธศาสนาหมดไปแล้วมันจะอยู่ในสภาพไหนคนหลงทางที่อยู่ในป่าใหญ่เนี่ยนะแล้วก็เต็มไปด้วยอันตรายเต็มไปด้วยสัตว์ ร, ร้ายเนี่ยนะมันจะไปยังไงเนาะเนี่ยนะพันพวกเหล่านี้เนี่ยพระบอกดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าพวกนี้จะเศร้าใจจะลำบากใจจะเดือดร้อนใจจะไม่มีความสุขเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยต่อไปข้างหน้าไม่มีหลักประกันอะไรแม้แต่น้อยแต่สาหรับพระรยเจ้าทั้งหลายท่านก็บอกสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เพราะท่านอะไรเพราะท่านปฏิบัติเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากสังขารแล้วท่านมีจิตใจเหนือสังขารธรรมทั้งปวงแล้วเครียกว่าโลกุตระธรรมโลกุตระเนี่ยหมายว่ามีจิตใจที่อยู่เหนือสังขารเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากสังขารเสร็จสิ้นแล้วท่านทําสังขารทั้งหลายเนี่ยนะให้เป็นดุดตามยอกด้วนเสร็จแล้วเนี่ยนะ วันเมื die, Station, ่อท่านตัดภาระได้หมดแล้วเนี่ยท่านจะไปเดือดร้อนอะไรท่านจะไปทุกข์อะไรท่านก็ได้สังเวชใจว่าสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเช่นนี้แหละแต่ปุถุชนทั้งหลายเป็นต้นนี้ก็เดือดร้อนมากเนี่ยนะเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าอย่างท่านนท่านร้องให้ท่านร้องให้ว่าท่านยังทํากิจไม่เสร็จเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วท่านจะทํำยังไงนะท่านจะทํำยังไงก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีปกติติดสอยห้อยตามพ่อตลอดเวลาเนี่ยนะ แต่ข่าวว่าพ่อสิ้นชีวิตนี่แหม่มเศร้าฉันใดผ้าโนโนเนี่ยยิ่งกว่านั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกโอ้จะเป็นยังไงท่านก็เลยเสียใจมากทีนี้ย้อนกลับมาถึงพระองค์เนี่ยนะผู้ปลงอายุสังขารก็เหมือนกับคนที่ปลงใจว่าตัดทุกขอ์ออกไป หลงใจว่าพ้นทุกพ้นโศพ้นโรคพ้นภยัยพ้นขันนะนะขันทั้งหลายที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นโรคเป็นฟีเป็นลูกซ้อนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นของผู้อื่นเป็นอนัตตาเนี่ยนะเป็นของที่เสียหายเลวร้ายทั้งมวลอยู่ที่ขันห้านั้นพระองค์เนี่ยปรงขันหา้าถอดใจเรียกว่าตัดอาลัยในขันหา้าที่เรียกว่าทิ้งจริงๆเนี่ยนะไอ้ครั้งที่แรกทิ้งกิเลสครั้งเนี่ยจะทิ้งขันจริงๆเลยทิ้งวิบากและ กรรมชรูปทิ้งภาระนี่จะมีความสุขขนาดไหนเนี่ยนะนั่นก็เลยดีใจก็เลยเปล่งอุทานดังที่กล่าวไปแล้วว่าว่าอะไรพระมุนีเนี่ยนะพระมุนีปรงแล้วซึ่งกรรมอันชั่งได้และชั่งไม่ได้ถามว่าปรงอะไรในหน้าสามร้อยเก้าสิบสองตุละเนี่ยนะปรงกรรมที่เป็นกามาวจรได้แล้วปรงกรรมที่เป็น มหคตารูปาวจรและอะรูปาวจรได้แล้วนะปรงกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมปรงกรรมนะปรงกรรมไหนกรรมไม่ว่าจะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอะรูปาวจรครำว่าปรงมหากรุสอนปรงอกุศลเจตนาสิบสองปรงมหากุศ ล, ศ ล, เ, จ 12, ลศเจตนา8ปดปงมหคัตเจตนา 9, เก้าคำว่าขจัดทําลายเสร็จสิ้น เพราะฉะนั้นตัดเยื่อใยตัดอะไรที่จะทําให้กรรมเหล่านั้นนําเกิดอีกต่อไปเนี่ยนะเรียกว่าหักสีกรรมเนี่ยนะมุ่งทําลายกรรมคือพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์เป็นผู้หักสีกรรมได้อยู่แล้วเนี่ยนะทำลายเจตนา ท, ทั้งที่เป็นเจตนานําเกิด ท, ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเจตนาเหล่าใดที่ให้ผลเป็นชาติชรามรณะ เป็นสาเหตุแห่งโสกกระปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาตเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นโรคเป็นฝีเหตุเหล่าใดที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นเช่นนั้นพระองค์ทำลายเหตุเช่นนั้นเสียแล้วเนี่ยนะเป็นผู้ที่ยินดีในภายในอัจฉรโตยินดีในภายในด้วยอุปจาระสมาธิและ อัปปนาสมาธิมีความสุขนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีอิ่มความเอิบอิ่มในคุณธรรมภายในทั้งที่เป็นสมถะอิ่มด้วยสมถะและ ว, วิปัสนาอิ่มด้วยอริยมรรคอริยผลทั้งหลายเพราะสัมผัสกับพระนิพพานแทงตลอดพระนิพพานอันไม่หวั่นไหวพ ร, พระพองค์จึงดำรงมั่นอยู่ด้วยอุ ป, ออปจาราสมาธิและอัปปนาสมาธิมีพระนิพพานเป็น อารมณ์มันเมื่อสัมผัสกับพระนิพพานพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับสังขารพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่สลัดคืนจากสังขารถอดเทระวัตถอดอะไรในสังขารตักความเยื่อยายในสังขารพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่เป็นความสุขเป็นธรรมที่มั่นคงและไม่หวั่นไหวเมื่อพระองค์แทงตลอดธรรมเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็ปล่อยโลกียกรรมทั้งหมด ท, ทั้งที่เป็น กามาวจรรูปาวจรและอะรูปาวจรเขาเรียกว่าตัดตัดตัดเสียสิ้นเลยนะทั้งที่เป็นตุละกรรมและอะตุละกรรมกรรมที่ชั่งได้และชั่งไม่ได้กรรมที่ให้วิบากนําเกิดเป็นธรรมดากรรมเหล่าใดที่จะทําให้เกิดในภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญ ญ, ญาณทิฏฐิเจ็ดสัตตาวาสเก้าทั้งหลายหรือกรรมเหล่าใดที่นําไปสู่การรับโลกธรรมทั้งหลายพระองค์ทำลายกรรมเหล่านั้นแล้ว นะทำลายกรรมที่ปรุงแต่งกรรมมาพบรูปประพบอรูปประพบเสร็จสิ้นแล้วทำลายกิเลสที่เกิดขึ้นในภายในเสร็จสิ้นแล้วเหมือนนักรบใหญ่ทำสนามลบนักรบใหญ่ในสนามรบทำลายเกราะฉนั้นเนี่ยนะครว่าทำลายอะไรที่มันชัยชนะเนี่ยชนะเสร็จสิ้นแล้วอันนี้ในที่หนึ่งอีกในหนึ่งตุลังคือช่างพิจารณา หมายความว่าพระองค์เนี่ยแทงตลอดกรรมที่ชั่งที่หรือที่ต้องพิจารณาหรือว่าพระองค์เนี่ยนะแทงตลอดพระนิพพานเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, ะยกตัวอย่างว่าวิธีการปฏิบัติของพระองค์เนี่ยพระองค์ผู้เป็นมุนีผู้มีโมนายธรรมพระมุนีคือพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาขันห้าโดยในเป็นต้นว่าขันห้าเนี่ยไม่เที่ยง นะอันนี ha ้ยกตัวอย่างว่าไม่เที่ยงพระนิพพานที่ดับขันห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงขันห้าเป็นทุกขพระนิพพานที่ดับขันห้าเป็นสุขเนี่ยนะขันห้าเป็นอนัตตาธรรมที่ดับขันห้าได้นั่นแหละเป็นความสุขเพันธ์พระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ดับความไม่เที่ยงความทุกข์ดับโรคดับฝีดับลูกศรทั้งหมดนั้นการแทงตลอดธรรมเหล่านั้นจึงเป็น ความสุขเนี่ย น, น, นเะเรเห็นแล้วว่าไ อ, ไอขันห้าไม่เที่ยงพระดับขันห้าได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นโทษในการมาพบรูปประพบและอารูปประพบเห็นกําไรผลอนิสงส์ที่เกิดจากการแทงตลอดพระนิพพานแสดงว่าด้วยอนุภาพของอารีนวานุปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะเห็นเลยว่าพิษภัยทุกโทษของพบสามกำเนิด ส, สี่นั้นเป็นอย่างไรถ้าตรัสรู้พระนิพพานแทงตลอดพระนิพพานแล้ว สิ้นทุกได้อย่างไรดังนั้นพระองค์ก็เลยด้วยอนุภาพของอริยมรรคนั้นตัดฉันทราคะในพบแทงตลอดพระนิพพานอริยมรรคที่แทงตลอดพระนิพพานอริยมรรคอันนี้แหละที่กระทําความสิ้นไปแห่งกรรมอริยมรรคอันนี้แหละที่เป็นตัวทําลายกรรม